วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน2ปี48ตามไม่จริงถ้าทับ ถ, ถ้านับเป็นจันทรคติมันก็เป็นปี49แล้วแต่นี่ยาวเรายังนับเดือนสากลอยู่ก็เลยเป็นพศสอ4 8เพราะจันทรคติมันเดือน12เพน แปลว่าสิ้นปีถ้านับออกจันทร์มาถ้าเลยเดิน12บสองเพนมาแล้วเขาก็วันลอยกระทงมาแล้วเขาก็นับปีใหม่แปลว่าหมดเขตฤดูฝนเข้าเขตฤดูหนาวแต่นี้เรานับทั้งสองอย่างทั้งสุริยะคติทั้งจันทรคติ แต่ปีนี้เดี๋ยวนี้มันก็นเลยยังเป็นมันยังไม่ถึงปีใหม่สากลเนี่ยวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพ้นไปแต่พวกเราไม่ใช่ผ่านไปเฉยๆอายุของเราก็แก่ไปด้วยเหมือนกันเมื่อวันวันนี้ก็แก่กว่าเมื่อวานนี่ เดือนนี้ก็แก่กว่าเดือนที่แล้วนี่ปีนี้ก็แก่กว่าปีที่แล้วนี่แก่ไปหน้าเรื่อยขณะนี้วัดของเราก็เข้าสู่เขตระดูแรงสัตว์ป่าทั้งหลายดูๆแล้ววันนี้หลวงพ่อเองก็ได้แห่ ไปเห็นได้ยินไปเห็นหมูป่านะมันกัดกินเปลือกไม้อยู่บริเวณที่ให้อาหารเปลือกไม้มาฆ่ามันจะล้มเป็นต้นไปแล้วงั้นจะไปเห็นแนละ้วโอ้ตายเลยให้เอาพระให้เอาข้าวไปลงแต่ยังคิดอยู่ว่าจะหาเข้าเปลือกที่ไหน มาเทให้มันกินอีกตลอดมันสำปะหลังอนะ่ะช่วยกันดูหน่อยนะพวกกล้วยพวกอะไรหน้าแรงนะ่มันต้องได้ช่วยเลี้ยงสัตว์ปาละความหิวเป็นทุกข์ในโลกถ้าเราหิวเราเป็นยังไงสัตว์หิวยังไม่มียิ่งไม่มีความอดทนมันก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมาทดแทนมันอีกถ้ามนุษย์หิวน่ยยัง หากินไปเรื่อยเพอเพยยังฆ่าสงฆ่าสั์ฆ่าอะไรกินไปเรื่อยแต่มันไม่รู้จะหากินยังไงจากไหนกินเปลือกไม้ใบไม้อะไรมันก็ไม่มีเพรา ะ, ะนั้นพวกเราต้องช่วยๆกันนะดึงมันสมปรุงสำปรังพอจิติดต่อชาวบ้านได้ก็เอาขนขนมาเพื่อประทังชีวิตของไปของมันไปหน้าแรง ดูแล้วก็จับไปครั้งหนึ่งนั่นแหละแต่มันจับไม่หมดอย่างที่ว่านั่นนะมันจับยากถ้าจับไปปล่อยหมดก็คงจะจับไปปล่อยทั้งหมด น, นะ่ะแต่นี้พอทําทําไปแล้วมันก็ครึ่งครึ่งกลางกลางพอ น, นี่มันก็พอปล่อยขึ้นมาเพียงปีกว่ากว่าหมูมันก็ขยายพันุ์กันอีกทุกวันนี่ก็คงจะเป็นร้อยกว่าขึ้นมาละมัง้งในยุคนั้นก็รู้สึกว่าลอยหลอลงไปแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามัน มีแต่ตัวเบลอบลาทั้งนั้นเลยมีแต่เขี่ยวทั้งนั้นเลยแต่ทุกคนให้ระวังนะอย่าไปดูมันใกล้จนเกินไปเพราะมันเป็นสัตว์ป่าเราจะไว้ใจมันไม่ได้ให้ระมัดระวังตัวใครตัวเรานั่นะอย่าไปวิสาสะกับสัตว์ป่าสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่านั่นะเราจะไปคุ้นไปเชื่องไปให้วิสาสะกับมันว่าไม่เป็นไรหรอกนะอย่าไปคิดอย่างนั้น แต่คิดอย่างนั้นไปว่าผู้ประมาทถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละแ ล, ะล้วรู้แล้วจะทำยังไงให้ระวังไว้น่ะดีที่สุดขนาดกิเลสอยู่ในตัวหัวใจเราแท้ๆมันยังกัดเราเราจะไปไว้ใจสัตว์อื่นได้อย่างไรกิเลสหัวใจตัวเองแท้ๆมันจะโผล่ขึ้นมาก็ยังโผล่ขึ้นมาไม่รู้โลภไม่รู้โกรธไม่รู้หลงแล้วก็พาตัวเองทุกข์อยู่ตลอดเวลา มันยังกัดกับกัดเรากัดหัวใจเราเหมือนกับสนิมกัดเหล็กอย่างนั้นนะสนิมมันมันกัดเหล็กมันเกิดกะเหล็กมันกัดเหล็กกิเลสมันอยู่ในใจเรามันก็กัดเรากัดคุณงามความดีของเราเพราะนั้นกิเลสอยู่ในใจของเรามันกัดเราจะไปไว้ใจมันได้แล้วสัตว์ภายนอกก็เหมือนกันสัตว์สาราเสิยงเราจะไปไว้ใจมันได้อย่างไร ขนาดกิเลสในหัวใจเรายังไว้ใจมันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังกันมันกล้าระวังกันจะฆ่ามันเลยก็ไม่ใช่แต่ว่ากิเลสในใจเนี่ยฆ่าแน่นอนเหมนกันเถะแต่สัตว์อื่นเนี่ยไปฆ่ามันไม่ได้แล้วต้องระมัดระวังมีเมตตาต่อมันอีกต่างหากมันหิวแต่เราจะให้มันกินให้อิ่มเฉยมันก็คงจะยากเพราะว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน เราจะเอาตัวของเรารอดก็จังตัวปัตตุเปอยู่แล้วแต่ถึงยังไงเราก็ต้องมันกินสมมุติว่ามันหากินได้เพียงห้าบาทสมมติว่านะเราก็หาให้มันกินอี ก, อก ส, สักห้าบาทแต่มันกินอง่มจริงสิบหาบาทมันไงมันอดซะห้าบาทนั่นน่ะ อันนี้ก็คือความเมตตาของพวกเราที่เป็นพระที่เห็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอันนี้ก็ช่วยๆกันคิดนะมีอะไรก็บอกผมมาจะได้เอาอะไรจับจ่ายยังไงแต่ผมก็ยังคิดอยู่คิดว่าคงจะเอาหาข้าวเปลือกนั่นนะไปซื้อมาคงจะปล่อยๆเทๆลงไป เป็นจุดๆเป็นที่ๆเพื่อให้มันมาได้กินสงสารมันเหมือนกันนะพกกลิงพกหมูป่าเยอะเหลือเกินเลยนะ <c oughs> ถ้าจะว่าไปแล้วสัตว์ในวัดของเราเนี่ยมันเหมือนกับสวนสัตว์เปิดเพราะ ง, งั้นแต่เราไม่ได้กักขังเอาไว้มันก็ ย, ยั่วเย้ไปหมดถ้าจะว่าไปแล้วก็มากถ้าจะเปรียบเทียบกับวัดอื่นๆแล้ววัดของเราเนี่สัตว์มาก เพรเหตุไรอันดับแรกก็คือมีกำแพงล้อมรอบอันดับที่สองก็คือมีน้ําสมบูรณ์อันดับที่3ก็คือเป็นปา่ปาดงป่าดงดิบมันซ่อนตัวได้ง่ายมันหลบหลีกตัวได้ง่ายและกผลละมารากไม้ถ้าจะว่าไปแล้วก็อุรมสมบูรณ์กว่าที่อื่นๆผูกปลูกใจปั้งปลูกกระบอกปังปลูกไม้ต่างๆที่อยู่ในปา่ปาดงป่าดงดิบเนี่ยมันจะอุรมสมบูรณ์กว่าป่า เป็นจะพันอื่ น, นๆบา ง, งั้นนะเพราะนั้นสัตว์ในวัดของเราก็เลยรู้สึกว่ากรอกกระแตนนกทั้งหลายแลนี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น น, นนะ่รู้สึกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับวัดอื่นแล้ววัดของเรารู้สึกว่าจะมีสัตว์มากนะในเมื่อสัตว์มากแล้วทำไงแต่นี่ทั้งทั้งปลาในน้ำก็ตูสินกเป็ดกำลังมาอีกต่อไปก็เป็นพันอีกเหมือนกันนั่นแะ จะทํำยังไงมันมาอาศัยเราเราก็ต้องดูแลคุ้มครองแล้วก็จะเลี้ยงอาหารประเภทสัตว์ประเภทไหนก็นเลี้ยงไปพอที่จะเลี้ยงได้นัแต่สิ่งไหนที่มันเหลือป่ากราแรงแต่เราจะจะเอาตัวไม่รอดอยู่มันจะไปหาเลี้ยงสัตว์อื่นมันก็ไม่ไหวแต่นี้ถ้าาเราพอเป็นไปได้อยู่เราไม่รู้เราไม่ดูไม่แลอั น, นั้นรปลว่าขาดเมตตา ขาดเมตตาในจิตใจเ อ, อ๋เฉยไม่ได้สนใจอะไรใครจะทุกข์ใครจะจนมีแต่จะหามาใส่ปากตัวเองเท่านั้นแหะตัวเองกินอิ่มแล้วก็เฉยไม่ได้คิดถึงใครแนะปลว่าอยู่กับโลกเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละ อ, อ, อยู่สังกตายอยู่ไม่คิดไม่อ่านอยู่ไม่มีเมตตาอย่างนั้นไม่ถูกเลยไม่ไม่ใช่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นสอนให้มีเมตตา ให้มองดูรอบขอบชิดเหมือนเผื่อนมนุษย์สัตว์ที่ไรฉานอะไรอันไหนอันไหนอันไหนมองมองมองมองพอจะช่วยสิ่งเหลือสิ่งไหนได้ช่วยแต่อันดับแรกไปช่วยตนเองนั่นหละก่อนการช่วยตนเองคืออะไรการเป็นอยู่ของเราตลอดถึงด้านจิตใจของเราสินสมาธิปัญญาที่เราจะรักษาเราก็ต้องดูเราก่อน เมือเราขึ้นเครื่องบินเขาประกาศถ้ามีเครื่องเครื่องบินมีอุบัติเหตุหรือว่าปิดผิดปกติในเครื่องบินเครื่องช่วยหายใจจะตกลงมาให้ท่านสวมหน้ากากใส่ของท่านก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กต่อภายหลังแสดงว่าให้ช่วยตนเองก่อน เ้วยังช่วยคนอื่นแต่ถาาว่าปุรับมาลักคนอื่นก่อนจะไปสวมให้คนอื่นก่อนคนอื่นก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาผลในสุดเขาไม่กว่าจะสวมเขาเสร็จตัวเองก็หือก็หอบแล้วว่างั้นสวมให้คนอื่นก็ยังไม่ได้ตัวเองเลยตายก่อนถาาว่าสวมให้ตัวเองก่อนปุ๊บปับสวมให้ตัวเองก่อนพอสวมเสร็จปุ๊บคนอื่นเขาจะสวมยากขนาดไหนเราก็พยายาม มาสวมให้หน้ากากให้เมื่อตัวเองหายใจอิ่มแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะพระพุทธเจ้าท่านสอนพระองค์เองก่อนแล้วจึงสอนสรรพสัตว์ต่อภายหลังแต่พวกรองปุบ ป, ปับมีจะสอนสรรพสัตว์ตัวเองตัวเองก็เลยไม่ไม่ได้จะไม่อยากจะสอนตัวเองแต่บางเองบางองค์เอ อ, อสอนตัวเองด้วยแล้วก็พร้อมการเออแนะนำคนอื่นไปบ้าง สอนคนอื่นไปบ้างอันนี้มาก็ความเหมาะสมในระดับหนึ่งแต่ตามไม่จริงกับสอนตัวเองให้บริรสาดาดุทธิ์ซะก่อนนะดีแต่โดยมากโลกของเราทุกวันนี้กัโดยมากมันมีแต่เหมือนลักษณะทองบุ๋งหรือกระดาษทรายอย่างนั้นชอบขัดแต่คนอื่นตัวเองไม่ชอบขัดมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นไม่มองความชั่วของตนเอง กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของเราเป็นยังไงโดยมากมีแต่มองคนอื่นเมื่อเขาทําไม่ดีอย่างนู้ดทำทำไม่ดีอย่างนี้เขาพูดไม่ดีอย่างนั้นเขาพูดไม่ดีอย่างนั้ น, ไ ม, น, นไม่ได้มองดูตัวของเราเราคิดพูดทําอย่างไรถ้าว่าผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจโดยมากจะมองเข้ามาหาตัวเองอยู่เสมอ การมองคนอื่นมันก็มองเป็นบทเรียนและก็มองตัวเองเพื่อแก้ไขกายวาจาใจของเรามันขาดเหลือขาดตกตรงไหนจะแก้ไขปรับปรุงแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็คือเราผู้ที่เข้ามาศึกษาหรือเมื่อเราได้ยินได้ฟัง ประธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเราได้ยินธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําอบรมสั่งสอนจากนั้นเราก็นํามาประปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมขึ้นการสอนท่านสอนยังไงสอนครวัตสอนยังไง ให้ว่ายพระสวดมนต์นะให้เป็นพุทธมามากะที่ดีนะให้ยึดพระไตรสาระคมนะอย่าถือมงคลตื่นขาวนะให้เชื่อกรรมให้เชื่อผลของกลรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดูแลปฏิบัติบิดามานดาให้ทานรักษาศีลภาวนาใ ห, ให้ทาน ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทำบุญทำทานในพระพุทธศาสนารักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่าไปเปียดเบียนผู้อื่นเขาให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็คือทำคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้มีตั้งเยอะแยะสําหรับครวญจากนั้นการของชีพ อุท انا สัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรหะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัติยศฐานบรรดาศักดิ์ที่ตัวเองได้มาด้วยความยากลําบากกัญญานามิตรให้คบเพื่อนที่เป็นผู้มีคุณธรรมมีคุณภาพมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีสำมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอันนี้สําหรับสอนคารวาต มากมา ย, ยาการปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่อย่างไงปฏิบัติต่อลูกเต้าอย่างไงปฏิบัติต่อเบาไพ่อ ย, ย่างไงปฏิบัติต่อหมูพวกเพื่อนที่เป็นมิตรสหายอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนละเอียดสอนให้พวกเราจำเนียกํานึกทางว่าวใครทํำ ปฏิบัติตามที่แนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปณสถานถิ่นใดอยู่ณสถานถิ่นใดพูดคิดทาสิ่งใดล้วนแล้วแต่อยู่ด้วยเหตุด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราแหวกแนวออกไปทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกอีกหนึ่ง ตัวเองก็ทําอีกไปอีกอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์แนะนำอย่างหงตัวเองทําไปอีกอย่างหนึ่งแปลว่าพระพระแวกแนวถ้าเป็นฆราวาสกับฆราวาสแหวกแนวอุบาสกอุบาสิกาแวกแนวภิกษุสัมมาเนนแหวกแนวเหมนได้ไม่ตามแถวตามแนวที่พระธรรมคําสั่งสอนได้อบรมสั่งสอนเอาไว้เพราะนั้นพวกเราให้ตรวจตราดูตนเองเราเป็นพระแวกแนวหรือเปล่า เป็นอบาสุกุบาสิกาแหวกแนวหรือเปล่าถ้าแหวกแนวก็เออดูมันแหวกแนวแล้วมันดีอะไรมันได้อะไรมันมีแต่ผลเสียจะมากกว่าถ้าเราตรวจตราดูแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องศีลคือสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวาศีล น, นี่แหละเมื่อศีลดีแล้วสมาธิเป็นยังไง พวกเรามาอบรมเรื่องสมาธิมาอยู่ป่ารงพงภัยสมาธิในก่อนที่จะเกิดขึ้นมาได้ต้องทําอย่างไรไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาแบบลอยๆมันจะเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นมาแบบง่ายๆลอยๆ ก่อนที่จะสมาธิจะมาเกิดขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือสติสัมปชัญญะต้องมีสติซะก่อนสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละบอกเกิดแห่งสมาธิเบื้องตนถ้าหาว่าพวกเราไม่มีสมาสติแล้วสมาธิมันก็ไม่เกิดเพราะคนขาดสติเมื่อขาดสติแล้วสมาธิมันจะ เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะนั้นเรื่องสติเป็นต้องมาก่อนกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติสติอยู่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาก้าวเดินให้มีสติในการก้าวเดินขาขวาพุธขาซ้ายโถให้มีสติกำกับดูแลใจของเราคิดเรื่องอะไรให้มีสติ ในกรรมการกำหนดพิจารณาร่างกายของเราทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าให้มีสติกําหนดดูร่างกายของเรานี่มีธาตุสี่ดินน้ํามลมไฟถ้าไม่มีสติแล้วจะไปเห็นได้ยังไงมันเห็นไม่ได้เพราะนั้นเรื่องสติเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ฝึกหัดสมาธิไม่ว่าระดับไหน เบื้องต้นยิ่งจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งถ้าต่อไปก็ยิ่งเขม่งเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆจนถึงขั้นมหาสติมหาสติมหาปัญญาอย่างที่องค์หลวงตาท่านได้พูดเอาไว้แปลว่าสติปัญญามไม่เผลอสติโดยอัตโนมัติถ้าเราฝึกได้แล้วนี่แหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ในป่ารงพงไพ อยู่ตามลําพังอยู่กุฏิตัวเองให้พยายามให้มีสติอย่าไปส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกเราส่งจิตส่งใจออกไปมากมายแต่แต่เราเกิดมาเนี่ยเราส่งไปมันได้ประโยชน์อะไรมันมีแต่ขนทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เข้ามาทั บ, ท, บทับถมจิตใจของเรานั่นแหละมันไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นเรามาฝึกหัดมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ในป่าอย่างนี้เราควรจะเอาสติ ดูใจของเรากำหนดดูใจของเราส่วนอื่นทิ้งไว้ก่อนอย่านำมาคิดที่มันผ่านผ่านมาแล้วทิ้งไว้ก่อนในขณะที่เราอยู่ที่นี่เราจะเอาสติกับอยู่อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนี่แหละคือความถูกต้องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านได้หลักได้กดได้เกณฑ์นั้นท่านก็ย้ำจุดนี้เรื่องสมาธิเนี่ยสติ ต้องมาก่อนต้องบังคับไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นมาแบบลอยๆไม่ใช่อย่างนั้นต้องบังคับบังคับก็คืออะไรกําหนดดูอ้าวข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้เผล อ, อ, อให้จิตอยู่กับตัวเองจะตลอดพุดโทโธพุโทโธการกล่าวกา ร, การเดินการไปการมาบินท่าบาทการฉันการพูดคุยพยายามพูดคุยให้น้อยที่สุดพยายามให้จิตอยู่กับตัวเองเออคือตัง้งจิตเอาไว้ โดยความมั่นคงว่าข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอยิ่งเราอดอาหารไม่มาทานอาหารดืออฉันอาหารตั้งแต่เช้ามืดมาเลยวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกจะให้ข้าจิตอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมอย่างนี้จากนั้นเมื่อเราสติดีแล้วสมาธิมันก็เกิดล่ะเนีย เมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วพิจารณาอะไรเมื่อจิตสงบผ่านความสงบไปแล้วคล้ายๆว่าคนนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วจิตเป็นหนึ่งแล้วมาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกายก็เห็นร่างกายชัดเจนร่างกายของเรามีอะไรบ้างอาการ32ออยู่ในร่างกายมีอะไรบ้างจะเห็นด้วยความจะเห็นด้วยปัญญา มันจะไม่เห็นด้วยสัญญาและสังขารเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเห็นอะไรมันเห็นเมื่อมัวมัวเมาเมาไปหงงวงงาๆไปแล้วก็ผ่านผ่านไปมันไม่ชัดเจนแต่ถ้าเห็นด้วยสมาธิเนี่ยกิดผ่านสมาธิมาแล้วเนี่ยกำหนดปุ๊บตรงไหนมันเห็นแจ๋วแจ้งชัดเจนเมื่อเห็นแล้วจะพิจารณาอะไรมันใช่ของเราจริงหรือไม่ของเรานี้มันเป็นของเราจริงหรือไม่เป็นของจีรังถาวรจริงหรือไม่ มันจะอยู่นานจากเท่าไรเป็นของเราใช่หรือไม่แต่นี่แหละท่านเนี่ยเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ได้ยกิเลสราคะกวรดีที่มันยึดมั่นถือมั่นให้ความสำคัญร่างกายว่าเสร็จสวยงดงามมันจะลงลง้ม ล, ล, ลงเป็นกองกองอะไรแบบนั้นทหนมมันจะไปรักไปหลงมันทำไมร่างกายเนี่ยคือมีกระดูกมีแต่เนื้อ มีแต่ตับไตลำไส้เหมือนกับเราเห็นสัตว์ิทีชฉานอย่างนั้นนะในร่างกายของเราก็ไม่แพ้กันมันอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อเห็นร่างกายตัวเองเป็นอย่างนั้นแล้วความกำหนัดความยินดีความรักใคร่ชอบใจความลุ่มหลงในร่างกายของเราเนี่มันก็จะอยู่ในสภาพที่ว่ารู้ตัวรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวเอาเราอาศัยกับสัตว์ว่อาศัย อาศัยมันอยู่ไม่หลงมันแต่เราไม่ถ้าเราไม่อยู่กับมันถ้าเราไม่อยู่กับมันเราจะทํำยังไงในเมื่อเราเกิดกับมันมาแล้วใจของเราบอเอาในเมื่อเป็นลักษณะนี้เราก็ต้องประคับประคองไปดูแลมันไปเลี้ยงมันไปมันก็จะไม่หลงไม่หลงร่างกายไม่หลงร่างกายตัวเองเมื่อไม่หลงร่างกายตัวเองจะไม่หลงสิ่งภายนอกเลยสิ่งภายนอกที่มันเนื่องเนื่องกับกายของเราคืออะไรทรัพสมบัติ ต่างๆยศถาบรรดาศักด์ต่างๆสื่อเสียงต่างๆมันออกมาจากร่างกายที่เป็นของปฏิกูลโศกฮกโศกปลกมีแต่เนื้อหนังเอ็นกระดูกเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ไปในเมื่อเราเห็นสิ่งร่างกายของเราชัดเจนแล้วสียงเราทางนอกมันก็เห็นได้แล้วใช่ไหมแต่เราไม่ใช่อุปฏิษษเสธเห็นร่างกายตัวเองเป็นอสุภะเราจะอ้วกอยู่ทั้งวันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ เมื่อเห็นแล้วก็รู้ว่าเราคืออะไรเราอาศัยมันอยู่แต่เราไม่หลงมันเหมือนกับเราอาศัยบ้านเรือนหรืออาศัยสิ่งต่างๆแต่เราไม่หลงมันอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องออกจากร่างกายนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นให้เรารู้ได้ว่าเมื่อเราพิจนารณาอย่างนั้นได้แล้วเมื่อบิจิตเป็นสมาธิดีแล้วเราจะรู้ได้ว่า กายกับใจนะ้ำมันเป็นคนละอันกันเป็นคนละส่วนกันแต่มันอาศัยกันอยู่กายกับใจเนะี่ยนา ม, มธรรมกับรูปธรรมรู ป, ปธรรมพระพุทธเจ้าที่ท่านอบรมสั่งสอนแนะนําท่านเน้นหนักเรื่องนา ม, มธรรมมากกว่ารู ป, ปธรรมรู ป, ปธรรมนั่นคือร่างกายสังขารนา ม, มธรรมนั่นคือจิตใจความนึกคิดที่อาศัยอยู่ร่างกายนะี้ เพราะนั้นร่างกายเนี่ยแตกแตกสลายตายไปสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนเพราะร่างกายเป็นธาตุสแต่ส่วนจิตใจนั้นที่อาศัยอยู่เนี่ยมันจะต้องออกจากร่างนี้ไปไปยึดปฏิสนธิที่อื่นอีกอไปอยู่ปฏิสนธิที่อื่นอีกไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านมองเห็นว่านี่มันทำไมยังไปยึดอย่างนั้นเพราะมันมีเชื้อออ ใจมันมีเชื้อเชื้ออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในนั้นในเมื่อมันมีนมราคะโทสะโมหะไปทั้งหน้านมันก็ไปติดไปยึดไปลุ่มไปหลงอีกอย่างเก่าหลงในพบหลงในชาติเกิดเป็นหมาก็หลงในร่างกายกันหน้าอยู่ของมันนะเกิดเป็นหมูกันติดในร่างกายหมูกันหน้าอยู่ของมันนะปินญาณ น, นะใจนะไปเกิดเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเป็นทุกข์หูหนวกตาบอดมันก็ยังรักในร่างกายของมัน กิเลสมันพารักพาลุ่มพาหลงเออย่างพวกเราท่านทั้งหลายหลงร่างกายตัวเองอย่างนี้นะนพิจารณาดูสิพิจารณาเห็นชัดๆดูสิด้วยปัญญาอาใครก็รักหลงร่างกายของตัวเองทั้งนั้นถึงจะ ก, กีร้ายกิเลยังไงก็รักหลงในร่างกายตัวเองอยากจะได้อยู่ที่ร่างกายคนอื่นเขาสวยเงียบมวนน้ำเราก็อยากจะสวยเหมือนเขาแต่ถึงยังไงก็ของเขาก็คือของเขาของเราก็คือของเราก็รักของเราอยู่อย่างนั้นอ นี่แหละความหลงความหลงในร่างกายอภิชาราคะโทสะโมหะมันอยู่ในเนี่ยอยู่ในใจของเราเนี่ยมันหลงหลงร่างกายถึงจะรักจะหลงยังไงก็เถอดนะร่างกายเนี่ยมันก็ยังเป็นของผู้อื่นอยู่เสมอเป็นของอื่นอยู่เสมอมันไม่ไม่เป็นของเราแนละ้วงัถิถึงเราจะเล่าหลงรักขนาดไหนก็เถอดร่างกายมันก็แก่ มันก็เจ็บถึงเขาเจ็บถึงเขาตายมันก็ตายถึงเขาแตกมันก็แตกอใจของเรามีแต่เป็นทุกข์ล่ะท่านี่พอเห็น เ, เจ็บทุกข์ร่างกายทุกข์ขึ้นมาหน้าม้อยท่านจะเป็นมะเร็งนะเขาบอกมะเร็งตรงนั้นตรงนี้นะเพียงแค่นั้นนะมดในความรู้สึกล่ะเพราะเหตุใดกีบ่าตัวเองจะต้องหนีจากร่างนี่แน่นอนลนะ่ะ ว่าเราเกิดมาตั้งแต่เราเกิดจงแต่ท้องแม่มาเรายึดมาอยู่ตลอดวันนี้ร่างกายนี้เป็นของเราถาาว่าไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจา้าไม่ได้รับการชี้แนะชี้นาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากธรรมะแล้วเราจะแยกไม่ออกแต่ขณะได้รับขะาดยังในใจยังเลืกก็เรายังไม่เชื่ออยู่อีกต่างหากนะยังไม่เชื่ออยู่ในต่างหา แต่เพราะนั้นถาาว่าเราได้ปฏิบัติเราได้ภาวนาเราพยายามทําจิตให้สงบตั้งแต่เบื้องต้นอย่างที่ว่า เ, เอาสติบังคับจิตใจให้อยู่ในความสงบในเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยนำมัดพิจารณาตัวนี้ถเถอะกล่าบพระพุทธเจ้ากล่าบแล้วกล่าบอีกกราบครูบาอาจารย์กราบแล้วกราบอีกโอ้โหพระพุทธเจ้าทําไมท่านจึงรู้เห็นได้อย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่าร่างกายเนี่ยมันจะเป็นยังไง ไม่รู้จักต้นปลายสาเหตุอีกต่างหากอยู่เป็นวันวันกินเป็นวันวันขับถ่ายเป็นวันวันพูดคุยเป็นวันวันสนุกสนานเฮฮาเป็นวันวันแต่บัดนี้เราได้แยกแยะดูแล้วร่างกายกับใจนี่ยมันเป็นคนละอันกันมันเป็นคนละส่วนกันเหมือนกับรถคนขับรถอย่างนั้นใจกับกายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่จะมองเห็นจุดนี้ได้เรื่องสมาธิ สติต้องมาก่อนนะแต่เมื่อสติดีแล้วสติเป็นหนึ่งแล้วจิตสงบเข้าเป็นหนึ่งแล้วนํามาพิจารณาจะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันจะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวจะเกิดปัญญาขึ้นได้ง่ายนี่ว่าศีลสมาธิปัญญาในเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นร่างกายสังหารเห็นจิตใจของตัวเองเห็นจิตเห็นใจของตนเองมันมาจากไหน อความรุ่มหลงหมวัวเมาเนี่ยเราไม่ใช่ไปดูข้างนอกได้สินมันย้อนเข้ามาหาดูใจบาสนี่เออเรื่องทั้งหลายออกมาจากใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจก็คือความรู้สึกนั่นแหอะออทั้งที่แต่ก่อนมองไปข้างหน้าบาัดนี้มองปัญญาสติมองสติมองปัญญาย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้บาสนี่เรื่องทั้งหลายออกไปจากผู้รู้ทั้งนั้นออกไปจากใจทั้งนั้นใจออกไปหลงเขาเนี่ย มองที่นมองใจตัวเองที่เนเอาสติจับจอ่ออยู่ตรงนั้นบัดนี้ดูอยู่ตรงนั้นเราเราจะเห็นได้เออมันเหมือนกับมีอะไรออกมาจากใจมองออกมามันเห็นด้วยใจตัวเองมันจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันพองใสจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันพองใสมันจะเกิดอยู่อย่างนั้นมืดสว่างมืดสว่างเออเหมือนกับอะไร อะไรอยู่ในจิตในใจหิงห้อยอยู่ในจิตใจขอเราวับขึ้นวับมืดวับสว่างวับแวกห้อยเหมือนหิ่งห้อยอยู่ในใจนะมันออกอยู่อย่างนั้นมันสายอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งหลับทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นมันอยู่อย่างงั้นอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้นพวกเราให้ดูดูที่ใจทั้งสองอย่างนั้มันของเกิดดับท่านะเป็นของอเนจังทั้งนั้นแต่มันเกิดอยู่ในนั้นอเนจังของไม่เที่ยง สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกจะเป็นตัวตนเราเขาได้อย่างไรปฏิเสธลงไปเลยนั่นนหะเออเอาธรรมะอนัตตาเข้าไปปฏิเสธจุดนั้นนั่นแหละที่จะทําลายภพทําลายชาตินอนัตตานะเออนัตตานะธรรมะอนัตตานะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะอะ่นี่แหละสัพเพธรรมาอนัตตา เรื่องทางหลายไม่ใช่ตัวตนของเราเรื่องทางหลายเนื่งความนึกคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปฏิเสธหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงมันจะเกิดมันจะเป็นยังไงไม่ยึดมั่นทั้งนั้นอันนั้นคือธรรมะที่ลึกซึง้งธรรมะในหลักของพุทธศาสนาแต่เราจะไปเอาธรรมะจุดนี้ไปพูดข้างนอกไม่ได้ พูดข้างนอกยังไงแค่ๆว่าเอา้าเราไม่ยึดบ้านยึดเรือนเราจะไม่ยึดที่อยู่อาศัยของเราปล่อยป่าและเลยมันได้เนอะนั่นอันนั้นแปลว่ า, ผ, ารรผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะผู้ไม่ได้ปฏิบัติภาวินัยคือภาวินยัยศีลก็คือศีลสมาธิคือสมาธิปัญญาก็คือปัญญาเราต้องแยกให้ออก เราจะไปแยกเราจะไปเอาเรื่องศีลมาตีสมาธิเอาสมาธิมาตีปัญญาไม่ได้เราต้องแยกให้ออกถ้าว่ามาแยกออกกนั้นแสดงว่างโง่มากไม่ใช่นักปฏิบัติมีแต่วงขี้เล่ามาพูดกันอย่างนั้นแต่นักปฏิบัติแล้วมาถึงจุดนี้แล้วมาเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเราจะรู้ได้หมดทุกอย่างใครอ้าปากพูดยังไงก็ได้ที่ว่า เรื่องอัตตาตัวตนเรื่องธรรมะอยู่ในจิตใจวเราต้องแยกออกตคืองพัสดุพัสดุคือพัสดพระวินัยคือพือคือพระวินัยพระประมาตคือพระประมาตเราจะเอาพระประมาตไปใส่พัสดุไม่ได้เดิมจะเอาพระประมาตไปใส่วินัยไม่ได้พัสดุ ก็คือเรื่องราวที่เป็นมาอย่างไรพราะวิ น, นัยคือกฎเกณฑ์ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรพระประมัติปรีเสษทั้งหมดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นนักปฏิบัติเท่านั้นถึงจึงจะรู้ได้สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเราไปพนไปพูดให้คนสามัญชนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไปพูดผิดที่ผิดทาง เ, าเหมือนกับไปดีดีด ตีเป่าตนตรีให้หมาฟังนเพื่อเผื่อหมากระโดดกัดเราเพราะเหตุไรเพราะเราโง่เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ก็ น, นํนาไปพินิษฐ์พิจารณานะให้แยกแยะให้ออกธรรมะมันมีหลายขั้นตอนตั้งแต่ศีลตั้งแต่สมาธิตั้งแต่ปัญญาแต่ศีลก็คือการอยู่ร่วมกันตั้งแต่เบื้องต้นได้อธิบาย การเป็นอยู่อย่างไรต่อสรรพสัตว์ทางหลายเมตตายอย่างไรอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องศีลทั้งนั้นการอยู่ร่วมกันจะทํำยังไงจึงจะร่มเย็นเป็นสุขได้มีกฎกฎติกาอย่างไงมีกฎเกณฑ์อย่างไรอันนี้ก็คือเรื่องศีลดึงสมาธิกือเรื่องส่วนตัวเข้ามาเราจะนึกนึกคิดเรื่องอะไรก่อนที่จะเป็นสมาธิได้เนี่ยเอาสติสติเข้ามาบังคับ ความนึกคิดตัวเองดังอย่างไรในเมื่อสมาธิจิตใจเป็นหนึ่งแล้วจิตใจเป็นสมาธิแล้วนําจิตที่เป็นหนึ่งนะั้มาพิจารณาอย่างไรเมื่อพิจารณาร่างกายสังข า, ารธาตุสี่ดินน้ําลมไฟอย่างไรเมื่อเห็นแล้วใครเป็นคนมาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ตัวใจเมื่อย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ท้านนั้นานละท่นนี้ อ่อันนี้เลยว่าประมาจารยท่านี่อ่าเราจะไปพูดกี่เอาประมาจไปโยงถึงพระสูตรถึงพระวินยัยไม่ได้อ่าผิดว่างั้นเถอะอ่าเพราะฉะนั้น พ, พ, พระประมาจาคือพระประมาจาอืมประมาจาธรรมปฏิเสธทั้งหมดในจักรวาลในโลกเลยร่างกายก็ยังไม่ใช่ตัวตนถ้าจะว่าเป็นของตัวตนอย่าแก่สิอย่าเจ็บสิอย่าตายนะเธอปฏิเสธไหม มีแต่คนน่าโง่ท่าไปหานยึดร่างกายว่าเป็นของตตนถ้าเป็นธรรมส่วนลึกแล้วท่านจะรู้ได้ตนเองถ้าใครจะยึดอย่างนั้นท่านก็ไม่ว่าสอนแล้วไม่ฟังก็ไม่ว่ากันยึดก็ยึดไปอถ้าธรรมะขันธลึกซึ้งเราท่านรับฟังได้ทั้งหมดเหมือนกับเด็กง อ, ง, งอแงงอแงอย่างไรผู้ใหญ่ก็เออเออออเออไปตามเล็กก็นกนกเอนกเอนกเหรอเออเอเอไปตามเรื่องอย่างนั้นล่ะ ท่านจะไม่ถกไม่เถียงแต่ถ้าว่าพอที่จะรู้เดียงสาภาวะที่จะสอนอะไรให้ฟังได้ท่านก็สอนให้ฟังเป็นตุเป็นตะเผยเผยถ้าไม่สอนไม่ฟังจริงหรือแทโหดเอาบัางแต่ถ้าว่ามันไม่ฟังจริงๆนั่นกะ็ปล่อยอเองเนี่ยสรุปแล้วก็คือธรรมะเนี่ยไม่อยากจะพูดถ้าพูดไม่ตั้งใจฟังไม่สนใจจะฟังไม่ใช่อยากจะพูด แต่ผู้สนใจฟังแล้วพูดให้ฟังเป็นคติเป็นตัวอย่างเป็นแนวความคิดนําไปประพุทธปฏิบัติปรับปรุงใจของตัวเองไม่ต้องพูดว่ากายวาจานะ่ยปรับปรุงใจของตัวของตัวเองถ้าพูดถึงธรรมขันประมาจาแล้วปรับปรุงใจของตัวเองเราจะปรับปรุงใจของเราอย่างไรให้ดูใจของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ ประพฤติปฏิบัติรำมานมนานแต่ถึงยังไงก็ตามการพิจารณาร่างกายจําเป็นสําคัญเพราะเป็นหินลับของปัญญาแต่ถึงยังไงที่จะต่อยตัดกิเลสจริงๆมันอยู่ในใจนะธรรมะอนัตตาให้พยายามหมุนเข้าตัวนี้ให้มากทบทวนดูให้มากถึงจะเขาไม่เข้าทีเดียวเขพยายามใช้ความคิดปัดไปกระโดดเข้าไปตีออกมากระโดดออกมา หลายครั้งต่อหลายหดมาจำชำนาญเองบัดนี่ยพอชํานาญเข้ามาแล้วกันนั่นเราจะรู้ได้ด้วยปัญญาของเราแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆจนรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงนั่นแหละความบริสุทธิ์จุดพ้นไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจของเราการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ตอนนี้ไปก็นั่งสมาธิแล้วนะที่นี่นะ